บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะใ่การปฏิบัติกรรมฐ า, านของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปธรรมะปฏิบัติที่ได้กล่าวแสดงมาแล้วโดยลำดับนั้นเพิ่งสังเกตว่าเอาก็จริงก็เ ป, เป็นเรื่องของสิ่งที่เป็นรูปธรรมและสิ่งที่เป็นนามธรรม และสิ่งเหล่านั้นก็มีอยู่แล้วในตัวของเราเองอย่างที่พระเจ้าทรงแสดงว่าเราแสดงโลกความเกิดของโลกความดับของโลกและข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความดับแห่งโลกที่สกลกายซึ่งมีความยาวประมาณวาดึงมีความกว้างประมาณกามาหนึ่งมีความหนาประมาณคืบหนึ่งซึ่งมีใจครองนี่เอง ไม่ได้แสดงที่ใดเลยดังนั้นในมหาสติปัฏฐานในสูตรตั้งแต่เริ่มต้นที่พูดถึงเรื่องกายตามลำดับมาจนมาถึงเรื่องของธรรมจะเป็นการทรงสั่งสอนให้ศึกษาเรื่องของภายในกายที่เป็นภายในต่อไปก็ศึกษากายที่เป็นภายนอก กายที่เป็นภายนอกก็คือสิ่งที่เป็นรูปธรรมและสิ่งที่เป็นนามธรรมาอยู่ภายนอกนั่นเองศึกษาหยาบๆง่ายๆก็คือกายเราแล้วก็ศึกษากายคนอื่นศึกษาชีวิตของเราศึกษาชีวิตของบุคคลอื่นแต่ละจุดที่เราศึกษามองไปสู่ข้างนอกมันก็มีลักษณะอย่างเดียวกันดังจากโครงสร้างเหล่านี้ เราเกิเห็นความจริงอีกประการหนึ่งว่าการศึกษาด้วการปฏิบัติธรรมะในทางพระุทธศาสนาตลอดทั้งหมดก็เป็นการรู้เรื่องเราแล้วก็สิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับเราตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าตัวเราเองนั้นเป็นที่ตั้งของความหลงแล้วต้นนอกเองก็กลายเป็นที่ตั้งแห่งความหลง เราไม่รู้เห็นตามความเป็นจริงในส่วนตัวของเราในขณะเดียวกันเราก็ไม่รู้เห็นตามความเป็นจริงในสิ่งที่นอกจากตัวเราไปก็กลายเป็นอาการเป็นสภาพชีวิตที่เรียกว่าหลงโลกอย่างที่ท่านอาชิตมานบได้กราบทูลถามพระพูทมีพระภาคจาว่าโลกคือหมูสัตว์อันไรปิดบงังเอาไว้จึงหลงหลุดอยู่ในที่มืด พระเจ้าก็ทรงแสดงว่าโลกคือหมูสัตว์นั้นอนนวิชาคือความไม่รู้ปิดบังเอาไว้จึงหลงรุดอยู่ในชี้ิดและในคราวหนึ่งได้ส่งประรบ ถ, ถึงการกระทาของสหายนางวิสาขาห้าวบาสิกาถึงตามปกติแล้วจะไปวัดฟังเทศในสำนักของพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยนางวิสาขา านานาวันนั้นนาวิสาขาไม่อยู่พวกเธอก็ไปกันเองแต่พอดีก็ทรงกับวันนัขกขะตฤกษ์แต่ละคนก็ได้จัดเตรียมสุราจังหวอ่อ น, ออนพกผาเอาไว้พอได้จังหวะเผือ เ, อ, เอควังเทศไปด้วยแล้วก็ดื่มสุราไปด้วยจุอนาการที่เคยสงบสงเง่ยเรียบร้อยมีวิรปริตแปรปรวนไปโดยวยลำดับจนถึงคือก น, นองร้องเพลงลุกขึ้นไร้รำต่อพระพักพระพุทธเจ้า ขอขาดสติที่จะควบคุมตัวเองพระเจ้า ท, จทรงกำหนดรู้ด้วยพระทัยในขณะนั้นก็ทรงใช้อิทธิริษบรรดาลให้ที่ตรงนั้นมืดมิดคนเหล่าลนั้นสะดุ้งลัวตกใจที่อยู่ดูมันเกิดความมืดครอบงำขึ้นมาจากนั้นก็ทรงฉายฉับพันรังสีปรากฏเป็นลำแสงพุ่งไปหาคนเหล่านั้นในรับสั่งเตือนว่า เธอทั้งหลายจะมัวเพล่ดเพลิน เ, เรื่องเรองอะไรกันจูมเมื่อโลกกระสานนิวาสนี้ลุกโพรงอยู่เป็นนิดเธอที่ถูกความมืดทุกมห่อเอาไว้ทำไมจึงไม่แสวงหาประชีพเป็นเครื่องสองทางให้แก่ชีวิตแล้วกรนีเป็นการแสดงถึงจิตวิญญาณของมนุษย์เราที่ถูกคุ้มห่อด้วยความมืดเคือวิชา จิตใจก็บุคคลถุกเผาลนด้วยไฟคือกิเลสจะมีไฟกองใหญ่สามกองซั่งพูดกันอยู่เสมอต้องใช้คำว่าราคาคิไฟคือราคาโะโตสคิไฟคือโทสะโมคิไฟคือโมคะแต่เวลาพูดกับชาวบ้านส่วนใหญ่ก็จะพูดไฟคือความโลภแต่ยังราคะหรือโลภะ เป็นไฟประเภทเดียวกันที่ต้องการปรารถนาไขคว้าเข้ามาสนองต่อความต้องการของตนและได้ตามที่ตนอยากได้ก็จะมัวมองหมกมุ่นเพลิดเพลิน อ, อยู่ในสิ่งที่ตนได้และจะมีการไขคว้าปราถนาต่อไปหาจุดจบไม่ได้ยานิรงแสดงว่าแม่น้ำเสมอด้วยตันหาไม่มี แสดงวความอยากที่ไหลไปในอารมณทั้งหลายนั้นไม่มีคําตอบเมื่อไรจะรพอเมื่อไรจะหยุดไม่อไรจะอิ่มเป็นสภาพจิตของสัตว์โลกในปามาวัจรภูมิอย่างที่ท่านแสดงเอาไว้ในธรร ม, มุเทศสี่ประการว่าโลกคือหมูสัตว์ในข้อสุดท้ายที่ว่าโลกคือหมูสัตว์พร่องอยู่เป็นนิจ ไม่รู้จัดอิ่มเป็นภาดของตัณหาแต่ในขณะเดียวกันการปฏิบัติพัฒนาจิตใจของบุคคลทั้งหลายตามหลักคำสอนที่พระเจ้าทรงประกาศแสดงเอาไว้ก็ไม่ได้ทำตัวออกไปนอกโลกเพียงหัวแต่ว่าทำใจอยู่เหนืออารมณ์ทั้งหลายที่เรียกรวมมารูปนาม คือสิ่งที่เราเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสูดดมด้วยจมกูกริมด้วยจินถูกต้องด้วยกายแล้วก็เนยวนึกด้วยใจอารมณ์เหล่านั้นก็คงมีอยู่ตามปกติธรรมดาเพียงแต่ว่าใจมันรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งเหล่านั้นความจริงของสิ่งเหล่านั้นเป็นอย่างไรท่านก็เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงอย่างที่กล่าวไว้ในวังก่อนแต่ในขณะเดียวกันเมื่อท่านยังไม่นิพพานหรือยังไม่ตายไปท่านก็อยู่ในโลกนี้ เป็นลักษณะที่เด่นก็คือท่านไกลจากอำนาจของกิเลสอำนาจของอารมณ์ทั้งหลายอารมณ์เหล่านั้นคงกระทบคงมีลักษณะยั่วยูนมีลักษณะยั่วยุมีลักษณะโกลคุกคามบางทีก็สร้างความเจ็บปวดสร้างความทุกข์ทรมานให้เกิดขึ้นแต่อารมณ์หนั้นก็คือสักดแต่ว่าอารมณ์ อุปมาเหมือนก็เสาเขื่อนขนาดใหญ่คนไปเขย่ายังไงมันก็เขย่าไม่ไหวไม่สามารถจะยโยกคลอนได้เพราะนั้นท่านอุปมาจิตใจของท่านที่เป็นเช่นนี้อาจจะอุปมาด้วยอะไรก็ได้เจ้อุปมาเป็นน้ำที่ใสสะอาดแ ล, ล้วก็ไหลเชี่ยวมีสิ่งสงกคร ก, กไปก็สลายไปหมด น้ำก็คงความใสอยู่เหมือนเดิมอุปมาเหมือนดินที่สิ่งดีก็ตามสิ่งไม่ดีก็ตามใครจะทำอะไรต่อแผน่นดินดินก็ไม่แสดงความยินดีจินร้ายอะไรก็ทิ้งของสกปรกลงไปก็ไม่แสดงความไม่พอใจหรือว่าวางของทิสานลงไปก็ไม่ได้แสดงความชื่นชมยินดีปฏิจทุงสอนให้ทำจิตเสมอด้วยแผ่นดิน เสมอด้วยน้ําเสมอด้วยลมเสมอด้วยไฟเสมอด้วยอากาศหมายความเอาคุณสมบัติพิเศษของสิ่งเหล่านั้นมาเป็นสื่อในการสอในให้คนเข้าใจธรรมะในเชิงเหตุและเชิงผลและเกิดความพอใจที่จะเป็นเช่นนั้นบ้างอย่างน้อยก็ในปางอารมณ์เป็นลักษณะของลมที่พัดไปในที่ใดก็าตาม ผ่านสิ่งสุกปรกก็ได้ผ่านสิ่งที่สะอาดก็ได้สิ่งเหล่านั้นก็กระทบก็คงกระทบแต่ในที่สุดมันจะจางหายไปลมกงพัดไปเรื่อยๆสิ่งเหล่านั้นที่กระทบมันก็จางไปจากลมในจุดที่เกิดมันก็อยู่อย่างที่มันอยู่เพียงแต่ว่าไม่ได้ติดลมไปท่านั้นเด็ก ลักษณะของอากาศอะไรต่างๆก็จะเป็นเช่นนั้นคือจะเอาเ น, นั้อแนนนันนมาเป็นครูสอนเพื่อสื่อให้เกิดความเข้าใจและในจากจุดนี้เองก็ทรงสอนให้คนมองคนสองประเภทที่มีอยู่ในโลกนี้แล้วก็มีอยู่เช่นนั้นตลอดไปส่วนสองกลุ่มนี้ถ้าจําแนกแยกแยะรายละเอียดไจะได้จํานวนมากมาย แต่ในที่นี้ทรงใช้คํว่ารู้กับไม่รู้นัยยะของคำว่ารู้ตามความหมายที่ทรงแสดงโดยมุมองเห็นว่ามันสืบเนื่อง ม, มาจากตัววิชาคือตัวความรู้แล้วก็ตรงกันข้ามกับอวิชาคือตัวไม่รู้เพราะฉะ น, นลักษณะเหล่านี้ถ้าเรามองเมื่อสว่างเย็นร้อนแล้วจะเห็นได้ชัด เวลาแสงสว่างเกิดขึ้นทำกลางความมืดความมืดจุดนั้นก็ถูกกระจายออกไปปริมาณแสงสว่างเพิ่มขึ้นเท่าไร่ปริมาณความลืดความมืดก็ลดลงไปเท่านั้นถึงจุดใดที่แสงสว่างเขาแผ่กระจายไปความมืดก็หมดไปในจุดนั้นลักษณะของความเย็นที่กะจัดความร้อนก็เป็นเช่นนั้น เพราะคำว่ารู้ในทางพระพุทธศาสนาก็บรู้ในทางโลกนั้นจะมีความแตกต่างกันที่จริงก็เชื่อมต่อกันได้โดยทั่วไปแล้วเราก็รู้อะไรเป็นอะไรรู้บา บ, บุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์อย่างที่พูดกันแต่เอาควาจริงแล้วมันสังเกตว่าเราแก้ปัญหาไม่ได้รู้โทษของความโลภแต่ก็ยังโลภ รู้โทษของความโกรธแต่ก็ยังโกรธรู้จักรูโทษของความริษยาแต่ยังริษยารูปบาปบุญคุณโทษแต่ยังทํำบาปยังทําสิ่งที่เป็นโทษ ต, ต, ตัวตัวเองแล้วผลจากการกระทําเหล่านั้นเกิดขึ้นบางทีก็ไม่ยอมรับแล้วก็โยนลูกออกไปข้างนอกไปคนอื่นเขารับโทษโชคราะโทษ ด, ดวงเสียตาโทษกรรมเก่าโทษ บ, บุคคลทั้งหลาย แต่แทนที่จะมองสืบสาวไปจากตนว่าผลเมื่อเกิดที่ต้นเหตุมันก็ต้องมาจากตนคล้ายๆกับผลของต้นไม้มันก็เกิดมาจากต้นไม้ชนิดนั้นๆันั้นก็แสดงเหตุว่ารู้ไม่จริงเพราะอะไรเพราะรู้แล้วเขาจัดความรู้สึกหลงตัวเองหรือเข้าใจความรู้สึกที่เป็นเราเป็นเขาอย่างรุนแรงออกไปอย่างไม่ได้ เพราะปริมาณความรู้ที่เพิ่มขึ้นทุกจุดจะต้องขจัดความไม่รู้ซึ่งหมายความว่าเราจะเห็นอาการลดไปตามกระแสของธรรมชาติกลายกจะเห็นน้ำที่แม่น้ำสระบยายลดลงไปเราก็เห็นแม่น้ำข้างเหนือขึ้นไปจนถึงนครสวรรค์ขึ้นไปเรื่อยๆก็ลดตามลงม า, เ, าเห็นน้ำทะเลนหนุนขึ้นมาสูงก็เห็นน้ำข้างบนมันสูงตามขึ้นไป นี่ก็คือความเกี่ยวเนื่องถึงกันของของกิเลสและของธรรมะคล้ายๆกับของความมืดของแสงสว่างของความเย็นของความร้อนที่มีความสืบเนื่องกันต่อไปบางทีความหนาวตั้งข้าวมาจากทางทิเบตแล้วก็แผ่ขยายคลุมมาถึงบ้านของเราฝนตั้งข้าวมาจากทะเลตรงไหนก็ไม่รู้แล้ก็แผ่ขึ้นมาถึงเรา นั่นก็คือกระบวนการเขาธรรมชาติธรรมดาธรรมะมันก็เป็นกระบนอย่างนั้นซึ่งบางรรขา่าวท่านเรียกว่ากฎเกณฑ์เขาธรรมชาติเพราะนั้นท่านที่รู้กับไม่รู้ก็อยู่กันอยู่ในโลกนี้และรู้นั้นไปสังเกตว่าบางทีก็รู้เป็นในกรณีไปในกรณีนั้นท่านก็เอาตัวรอดได้แต่บางกรณีที่ท่านไม่รู้ท่านก็เอาตัวรอดไม่ได้ เมาก็เหมือนกับเราอยู่ท่ามกลางแสงสว่างเราหยิบไปชวยอะไรเราก็ทำได้แต่พอมือก็จริงๆเราก็ทำไม่ได้แต่ท่านที่รู้จริงนั้นจะไม่หวั่นไหวแนอารมณ์ทั้งหลายเพราะเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในอารมณ์ดา น, นั้นในแต่ละขณะทนทีท่านสั่งว่าเธอทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตรการดูราชรถ ที่พวกคนเขาคล่องอยู่แต่พวกผู้รู้ไม่คล่องอยู่ความตักรการของโลกนั้นมันเกิดขึ้นจากธรรมชาติประการศเป็นความวิจิตพิสดารความน่าทึ่งอาการสลับซับซ้อนมีความผสมผสานมีความกลมกลืนมีความสวยงามโดยสโดยสถานะของมันซึ่งในแง่ของสมมุติก็คือมันจริงเขง้ามาอย่างกัน แต่ว่าถ้าคนเราไม่รู้เห็นตามความเป็นจริงมันก็หลงไหลยึดติดอยู่ในสิ่งที่เป็นธรรมชาติธรรมดาต่างๆเหล่านั้นอย่างที่ทรงอุปมาเล่าเป็นเรื่องนิทานของพระองค์เองในสมัยที่เกิดเป็นนกแขกดาวไปหลงความสวยงามของดอกบัวน้าหวานของที่มีอยู่ในบกบัว ในความหอมของเกสรบัวเพลิดเพลินดื่มลิ้มรสหวานที่เกิดขึ้นอยู่ในดอกบัวจะลืมวันเวลาดอกบัวขนาดใจก็ขุบแล้วก็ขังตัวเองไว้ในที่นั้นจนเกิดเรื่องเกิดราวใหญ่โตแม่นกที่อยู่ที่รังเข้าใจว่าสามีท้อทิ้งหรือเข้าใจว่าสามีตายกันทนะัง จนถึงก็เกิดอาการช็อกมีการหมางเมินแล้วก็กระโดดกองไฟตายเป็นต้น แ, แสดงว่าคนเราต้อเกี่ยวข้องกันเมื่อคนหนึ่งไป ม, มีปัญหาแล้วมันก็อาจจะสร้างปัญหาหคนต่อต่อขึ้นไปได้ทเดียวจุดตรนี้ก็มาจากการลหลงไหลเพลิดเพลินชื่นชมยินดีซึ่งซึมเนื่องมาจากอาการของวิชานันเดง ในโลกไปเดียวกันนี้เองบางครั้งถูกปรุงแต่งให้วิจิตพิสดารโดยการสรรสร้างโดยการกระทำของบุคคลทั้งหลายในแง่ของศิละปะกรรมในแง่ของวิจิตศิลป์ต่างๆมันก็ต้องยอมรับความจริงว่ามีการปรุงแต่งให้เกิดความสวยงามขึ้นแต่ถ้าได้รู้เห็นตังความเป็นจริงเ้าก็มองในแง่ของสังขาร แต่ว่าจิตใจของเรานั้นยังไงยังไงก็อยู่ในกามาวาจรภูมิคือมวมองหมกป้วนเพลิพพนยินดีอยู่ในกามทั้งหร่วิธีการปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาเป็นสังเกตว่าก็พยายามที่จะดึงอารมณ์ดอนนั้นให้ห่างออกไปหน่อยมีลักษณะคล้ายคล้ากระจายนั้นเหมือนกับเชื้อเพลิงหรือน้ำมันเบนซินที่มันไวไฟก็ไฟให้ห่างไปหน่อย เพื่อไม่เกิดอาการลุกไหมเราจะเห็นระบบการปฏิบัติที่ทรงวางเอาไว้เช่นศีลที่ได้มีการศึกษาสมาทานอยู่ ม, มีวิธีการทั้งหลายหลายอย่างวิธีการเพิ่มพูนปัญญาให้เกิดขึ้นแก่บุคคลที่จะสมาทานศีลวิธีการสมาทานเป็นการทํานองให้สัตว์ปฏิญาน มีสกีพยานมีบุคคลรับรู้การสมาทานศีลการตั้งใจสมมวมระวังของบุคคลเหล่านั้นมีองค์ประกอบคือพระรัตนาไตรมีพระพุทธปฏิมาเป็นหลักเป็นประธานอยู่เป็นการกล่าวสมาทานต่อพระพักพ ร, พระพุทธปฏิมาสมัยพุทธการก็กล่าวปฏิยานต่อพระพักพระพุทธเจา้าแล้วก็มีสทาเชื่อมัน่น ถึงผลที่เราจะได้จากการรักษาศีลตามตอนท้ายของศีลที่บอกไว้วราบุคคลจะบังเกิดในสุคติได้ก็เพราะศีลสมบูรณ์พวกกสสมบัติได้ก็เพราะศีลบรรลุมรรคผลนิพพานได้ก็เพราะศีลแล้วมาสรุปเน้นในตอนสุดท้ายว่าตัดสมาสีลังวิโสที่แย่เพราั้นท่านทั้ ง, ง, ง, งหลายจงทําศีลของตนให้บริสุทธิ์ แล้วท่านเหล่านั้นก็รับพร้อมกันว่าอามะอันเตก็จบแต่บทีก็สาุวิธีการเหล่านี้ที่จริงมันก็เป็นวิธีการเพื่อจะเสริมสร้างจิตสำนึกของบุคคลเหล่านั้นให้มีความหนักแน่นมั่นคงมากยิ่งขึ้นมีสายให่หลายๆสายที่ช่วยกันดึงช่วยกันกระตุน้นเตือนช่วยกันสร้างสำนึก ด้วยความคิดในลักษณะนี้เองหากว่าท่านสาชนได้ฟังข่าวเมื่อคืนมีนการประชุมตกลงกันในองค์การโลกแต่ละประเทศช่วยกันรับผิดชอบในเรื่องของจริยธรรมและเรื่องของจิตสำนึกแสดงว่าชาโลกเองเริ่มได้คิดหลังจากปล่อยประละเลยเรื่อง จริยธรรมเรื่องจิตสํานึกมาเป็นเวลานานปัญหาที่ไม่น่าเกิดมันก็เกิดแล้วก็เกิดมากยิ่งขึ้นกลายเป็นปารุมมาตุ้มกันใหญ่เหตุนี้ก็เกิดว่ามันต้องกลับเข้าสู่จุดคือจริยธรรมและจิตสํานึกเพราะจึงคนเรานั้นจะอยู่ได้จิตสํานึกคนตัวเองรับผิดชอบในตัวเองคุณลักษณะของความเป็นมนุษย์ที่ทรงกําหนดแสดงเอาไว้ ก็เห็นได้ชัดว่าเป็นเรื่องของจิตสานึกที่จะรับผิดชอบต่อสถานภาพของตัวเองหากว่ามีการปฏิบัติการกระทาแต่ยังไม่ถูกต้องสมบูรณ์ของความเป็นมนุษย์ก็พยายามปฏิบัติพัฒนาขึ้นไปหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาที่เป็นข้อๆเป็นรูปของศีลก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าศีลธรรมหรือธรมรมจริยวิจริยธรรมกร็ตาม แต่ทั้งหมดนั้นจะออกมาเป็นรูปธรรมไม่ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้แกจ่จิตใจคนไม่ได้หรอกถ้าหากว่าคนขาดจิตสํานึกพรงเจ้า ก, ก็สรงสอนในรูปของจิตสํานึกจิตสานึกก็คือรู้ตัวเองในชั้นแรกก็คอยรู้ที่ตัวเองก่อนรู้จักตัวเองที่สํานวนท่านใช้คำว่าอัตตันยูตาก็รู้จักตัวโดยชาตาโดยพื้นฐานความรู้โดยศีลโดยสมาธิโดยปัญญา แทนที่จะไปมุ่งจ้องดูคนนั้นทาผิดพระนั้นปฏิบัติไม่ดีอ ย, งงอย่างนั้นอย่างนี้มาดูที่เรามุ่งแก้ไขที่ตัวของเราเองแต่ละคนมีความรับผิดชอบในตัวเองโดยอาศัยจิตสึกนึกแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองดูที่ศีลของตัวเองดูที่จิตใจตัวเองสมาธิตัวเองความเปลี่ยนแปลงในภายในจิต นัยามปกติหรือนัยามที่กระทบอารมณ์อารมณ์นั้นดีบ้างไม่ดีบ้างว่าจิตใจเราเป็นอย่างไงบ้างแต่าตามปกติแล้วคนเรามากักจะชอบตรวจสอบคนอื่นเพ่งโทษคนอื่นพอเพ่งโทษคนอื่นมันก็สร้างปัญหาแทนที่จะไปแก้ปัญหาได้มันก็กลายเป็นเรื่องของการสร้างปัญหาพันแหนกของศาสนาทั้งหมดจึงเป็นแนวที่มองที่ตัวเรา เราสมาทานศีน้าเราก็มองที่ศีลเราแล้วพอไปถึงศีลแปดหรือศีลโบสดที่มีการสมาทานกันในวันธรรมศรนา<ๆ>ก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าเป็นการดึงจิตและดึงประสาทสัมผัสของเราออกจากอารมณ์ที่กระตุน้นที่กระตุ้นการมาราคะ ซึ่งกระตุ้นใจให้กำนัดเพลิดเพลินชื่นชมยินดีในพวกวัตถุกรรมต่างๆแต่แทนที่จะไปทำลายวัตถุการมมันทำลายไม่ได้วัตถุกรรมมันเป็นทรัพย์คือไม่ทำลายทรัพย์เขาก็แสดงถึงโลภะแสดงถึงโทสะแสดงถึงโมคะก็เป็นทั้งอธินาทานแล้วก็บาปที่สืบต่อจากการทำลายทรัพย์สินเหล่านั้น วิธีการพระเจ้าจึงไม่ไปยุ่งตรงอืง่นคือดึงจิตตัวเองออกไปสิ่งเหล่านั้นก็คงมีอยู่อย่างที่มันมีมันมียังไงมั น, ก, มมนมก็มีก็มันอย่างนั้นแต่ว่าเราให้รู้เห็นทำความเป็นจริงของสิ่งเหล่านั้นบางอย่างก็ไม่ไปให้อาหารไม่เพิ่มเชื้ อ, อเก็บมันบพราะนั้นเราเห็นสีข้อพิการลโภชนางดเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาพิการ ที่จริงก็เป็นการบรรทรเชื้อที่จะกระตุ้นเตือนให้เกิดกิเลสประเภทการมราคขะเป็นการลดอาหารลงไปลดการบำรุงบำรเรอลงไปลดการบำรุงมันก็ปิดกั้นการบำรเรอจิตใจของเราก็จะสงบลงไปการพ้อรำกัดร้องการประดับประดาตกแต่งร่างกายที่จริงเป็นตัวกระตุ้นโลภะโทสะเป็นหลัก แล้วก็จริงนั้นคนจะโมหะมากจริงขึ้นคือแปจริงก็จังมากจริงขึ้นเกิดโต้ภาโท้สะเกิดอ่อนไหวไปตามการแสดงของสิ่ง น, นั้นดูภา พ, พยนตร์ซึ่งที่จริงก็เป็นคลื่นแสงแล้วก็อยู่ในแผ่นฟิล์มด้วยใยความสนุกสนานเพลิดเพลินหัวเราะร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจหนังจบไปแล้วก็เก็บสตางค์เราไปแล้วเราก็มานั่งเสียใจนั่งดีใจกันจบน่นี่จริงก็คืออาการของโมหะ รอยนภาพการดูกีฬาบางอย่างแล้วก็นั่งเชียร์กันหน้าจอโทรทัศน์เป็นอาการของโมหะเป็นอาการของวิชาออกมาในโลภะโทสะทั้งๆ ท, ที่เชียร์ไปบอกไปทำอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่มีใครเข้าไปได้ยินหรอกแต่นั่นคืออาการของโมหะแสดงให้เห็นถึงไม่รู้เห็นตามความจริงแต่ก็ถูกดึงให้ อ่อนไหวไปตามอารมณ์ที่มากระทบซึ่งที่จริงก็คือรูปเสียงที่เราเห็นในขณะนั้นๆแล้วก็ไม่ใช่รูปแท้อะไรที่จริงแล้วก็เป็นพรีมเป็นคลื่นแสงที่ส่งมายการ น, นอนบนที่นอนสูงใหญ่มันก็มีลักษณะอย่างนัน้เพราะตัวนั้นคือวัตถุ ก, การามที่กระตุ้นใจให้ใคอยว่าปรารถนารูปเสียงต่างๆที่น่าคลายน่าปรารถนาน่าพอใจต่อไป ก็ทรงสอนในการตัดตัวเองเออกไปรวมตลาดตั้งการอยู่ในสถานที่ต่างๆของพระในสมัยก่อนหรือแม้ในสมัยปัจจุบันที่ท่านอยู่ป่าการมีกุฏิเล็กๆแคบๆเพื่อบันเทาความอยากในอารมณ์ทั้งหลายเอาไว้ถึงแม้ท่านจะอยากมันก็ไม่มีที่จะเก็บสิ่งเหล่านั้นในสุดอย่างน้อยก็บันเทาเอาไว้ มันก็ถึงจุดหนึ่งที่ท่านบอกก็ไม่รู้จะเก็บอะไม่รู้จะวางที่ไหนไม่รู้จะเก็บยังไงความอยากอาจจะเกิดแต่ในที่สุดมันต้องดับลงไปเพราะไปเจออุปสรรคที่แก้ไม่ได้ทั้งหมดจึงถึงถึงเป็นวิธีการในการลดละกิเลส ข, ของบุคคลบางอย่างไปให้ความรู้ทีเดียวลดลดเดียวมันก็เป็นไปไม่ได้ พอเรารับรู้ไม่ทันจึงสร้างเหตุปัจจัยเงื่อนไขต่างๆเพื่อเสริมสร้างจิตใจให้มีความสงบจะแนวนองการเจริญสมาธิที่ไปสงบอยู่ในสถานที่ต่างๆสถานที่เหล่านั้นก็มาช่วยเสริมใจให้สงบไม่ใช่ตัวหลักหรอกแต่เป็นตัวปัจจัยเสริม สรุปแล้วก็คือทั้งหมดในคำสอนทางพระพุทธศาสนาเป็นการเสริมสร้างเหตุปัจจัยของวิชาเพื่อมีการลดละวิชาลงไปถ้าวิชาความไม่รู้จางไปลดไปบันเท่าไปก็แสดงว่าอย่างน้อยในจุดนั้นในกรณี น, น, นั้น วิชาวความรู้ก็มีพอที่จะคุ้มครองตัวเองได้ป้องกันตัวเองให้รอดปลอดภัยจากสิ่งที่เป็นพิษเป็นภั ย, เ ป, ภยเป็นอันตรายได้แนวที่ตันวางเป็นรูปศีลสมาธิปัญญาจึงเป็นแนวศีลค่อนข้างมีพิธีรีตองยากเพื่อจะช่วยเหลือให้จิต ดำรงมั่นคงในการควบคุมกายวาจาให้ได้ก่อนแนวสมาธิก็มีปัจจัยเสริมมากมีสถานที่มีอาหารมีอากาศมีอารมณ์มีคนก็ามาเกี่ยวข้อง ม, มาช่วยจยะเพราะแนวปัญญาเขาจริงๆนั้นสแสดงถึงจิตใจที่มีความแน่วแน่มั่นคงแล้วสามารถมองอะไรก็ต่าง แต่มีปัญญารู้เท่าทันแล้วก็สามารถหาประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นได้จุกเรื่องค พ, พระเรกบุคคลทั้งหลายที่ท่านบรรลุมรคนในชั้นต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือชั้นที่บรรลุมรควนเป็นประการถ้าหาประโยชน์จากสิ่งรอบตัวของท่านอะไรก็ได้อาจจะเป็นฟองน้ำตอมน้ำปุ๋ยเมฆใบไม้คน ส, ส, สัตว์ซากศพเศษกระดูกไม้ลอยน้ำอะไรต่างๆ เป็นอุปกรณ์ในการศึกษาเรียนรู้ความจริงจนสามารถสงบระงับดับกิเลสและกระดับทุกข์ได้การสอนของพระเจ้าองค์ จ, คงจึงอยู่บนเส้นทางตรงนี้หากว่าใครประพฤติปฏิบัติดำเนินไปแล้วอวิชาบรรลดลงวิชาเพิ่มขึ้นอาการของความโรคโกดลงลดลงความไม่โลคมากอดมาลงเพิ่มขึ้นก็ชื่อว่าเดินไปบนเส้นทางที่ถูกต้อง ที่พระเรเจ้าทั้งหลายท่านได้พบความจริงอันประเสริฐมาแล้วนั่นเองต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสึกต่อไป